สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาล น, นะครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าครับเมื่อวานนี้ผมได้เทศนาที่กระจักไมตรีจิตก็ได้มีโอกาสเทศนาในกลุ่มยุวชนก็ปรากฏว่านับไปนับมาโดยประมาณนะครับมียุวชนคืออายุในราวๆที่ว่าสิบสาถึงประมาณ18ก็มีอยู่ เราราวร้อยคนครับอายุขนาดนี้พี่น้องครับเขาไม่ค่อยเจอผมแล้วครับสิบกว่าปีที่ไม่ได้อยู่ที่คฤีจักไมตรีจิตเด็กๆเหล่านี้ก็จําผมไม่ได้แต่ปรากฏว่าผมถามว่ามีใครรู้จักอาจารย์ศึกษาบ้างเขาก็พากันยกมือและถามว่าถ้าไม่รู้จักอาจารย์ศึกษาเขาบอกว่าเขาฟังเสียงสิทธิพิบาล พี่น้องครับก็นำมาซึ่งความชื่นใจและการหนุนจิตชูใจผมเป็นอย่างมากที่พระเจ้าได้ทรงเลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์ผ่านทางภาจนะของพระองค์ที่ผมได้มีโอกาสรับใช้ท่านทั้งหลายพี่น้องครับในเช้าวันจันทร์วันนี้เราจะมาดูคู่ที่สองนะครับในพระธรรมอิสยาบทที่11ข้อที่สองครับพระธรรมอิสยาบทที่11ข้อที่สอง เรากําลังอยู่ในกฎข้อที่13นะครับกฎข้อที่13คือกฎแห่งความสมดุลและหม่พใจของพระเจ้าอิสยาบทที่11ข้อที่สครับโปรดฟังโภชนะของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าจะอยู่บนท่านนั้นคือวิญญาณแห่งปัญญาและความฉเฉลียวฉลาดวิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอนุภาพวิญญาณแห่งความรู้และยำเกรงพระเจ้า วันนี้เราอยู่ในข้อที่2นะครับวิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอารุภาพในกฎแห่งความสมดุลนี้ท่านศาสาจารย์ด็อกเตอร์ฟิลิปเทงเงนได้นำเสนอนำเสน อ, นสนอแนวคิดหรือหลักการของความสมดุลระหว่างวิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอารุภาพพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าคาว่าวินิจฉัยนั้นภาษาอังกฤษใช้คาว่า causal เขาซิ่วหมายถึงการปรึกษาคำปรึกษาหารือการวางแผนการปรึกษาหารือและการวินิจฉัยสิ่งถูกผิดก็นํามาซึ่งกําลังพลานุภาพอานุภาพทั้งหลายในการทําสงครามนั้นต้องวางแผนซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการดําเนินชีวิตก็เช่นเดียวกันครับก็ต้องวางแผนชีวิตหา career า a t h ก็คือการที่เรียกว่าความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือหรือการที่ชีวิตของเราจะต้องก้าวหน้าไปในวิชาชีพในการทำงานของเราดังนั้นเองจริงต้องมีการวางแผนชีวิตจิตวิญญาณก็เหมือนกันครับต้องมีการวางแผนวางแผนแต่ละก้าวแต่ละก้าวเข้าไปในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเจะนะของพระเจ้านั้นก็ได้ สนับสนุนให้เกิดการวางแผนครับแผนงานและดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คําตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าคําตอบของลิ้นก็คือคําตอบที่สุดท้ายมาจากพระเจ้าคําตอบสุดท้ายมาจากพระเจ้าการทรงนำทุกอย่างมาจากพระเจ้าพระคัมีกำลังบอกว่าการวางแผนแนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ไม่ว่าเราจะวางแผนอย่างดีละเอียดรอบครอบอย่างไหนก็ตามให้เรามอบแผนการทั้งสิ้นไว้กับพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงกระทำให้สำเร็จตามน้ำมัตไทยของพระองค์คาตอบของลิ้นก็หมายถึงคาตอบชุดท้ายเราต้องมอบให้พระเจ้าเป็นคนทาครับแผนงานขั้นสุดท้ายหรือแผนงานของเราจะดีหรือไม่ดีขอให้พระเจ้าเป็นคนตัดสิน พระเจ้าเป็นคนฟันธงทุกอย่างก็จะดีพี่น้องครับพระกัมพีใหม่ก็ได้สอนให้ระาวาังแผนว่าคนคนหนึ่งถ้าเราจะเมืองเมืองหนึ่งถ้าเราจะยกไปรบทับจับศึกหรือคนคนหนึ่งกำลังจะวางแผนทำอะไรสักอย่างหนึ่งต้องนั่งลงวางแผนคิดให้ดีก่อนครับตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งต้องวางแผนนั่งลงคิดให้ดีสช่ก่อน ถ้ามีโอกาสชนะเราก็ทําถ้ามีโอกาสแพ้หรือมองไปแล้วในที่สุดแม่ไม่น่าจะชนะเราก็ต้องส่งทูตแต่งทูตไปเจรจาความนั่นคือความหมายของการวางแผนในพระกัมพีใหม่วางแผนเพื่อที่ให้วัตถุประสงค์เราสําเร็จถ้าหากว่าวัตถุประสงค์ดูดูไปแล้วนั่งลงคิดแล้ววางแผนแล้ว เป็นไปไม่ได้ก็แสดงว่าเราจะต้องปรับแผนใหม่เปลี่ยนเป็นแผนสองหรือจะต้องหาวิธีอื่นทำอย่างอื่นพี่น้องครับนั่นคือการวางแผนไม่เพียงแต่เท่านั้นครับคำว่า c o u s e l หรือ c o u s e l นะครับ c o u s e l i n g แปลว่าการให้คำปรึกษาการแนะแนวการ นำเสนอแนวทางให้เลือกสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการแนะนําเป็นการปรึกษาและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคําว่าวินิจฉัยครับวินิจฉัยนั้นหมายความว่าฟันธงตัดสินว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนควรอันไหนไม่ควรแท้จริงแล้วคำํำคำนี้เรามีที่ปรึกษามหาศจร์ครับก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราซึ่งเป็นที่ปรึกษา มหาสจร์แต่การปรึกษานั้นการปรึกษาที่ดีทำให้แผน ง, งานนั้นสาเร็จการปรึกษาที่ดีทำให้เราสามารถก้าวไปถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สามารถก้าวไปถึงเป้าหมายที่เราได้มีนิมิตพอพูดมาถึงตรงนี้ครับคริสเตียนบางคนบอกว่าไม่จำเป็นต้องวางแผนขอให้พระเจ้าทรงนำ ขอพระวิญญาณทรงนำนั้นคือแนวทแนวทางอีกแนวทางหนึ่งครับและผมคิดว่าแนวทางนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจะทําอะไรต้องวางแผนบวกกับการทูนขอการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอประทานสติปัญญาในการวางแผนซึ่งคู่แรกครับก็คือสติปัญญาและความฉเฉลียวฉลาดพี่น้องครับ ขอช่วยกลับไปฟังวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จะเข้าใจว่าคืออะไรขณะที่เราต้องวางแผนนั้นเมื่อเรามอบแผนงานให้อยู่ภายใต้การทรงนําของพระเจ้าของพระวิญญาณแล้วเราก็มั่นใจแล้วก็ให้แผนนั้นอยู่ในการทรงนําของพระวิญญาณต่อไปแต่เราเองนั้นเราจะต้องมีความวิริยะอุตสาหะไม่ใช่วางแผนแล้วอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนํา แล้วเราไม่ได้ทำส่วนของเราที่ควรทำผมยกตัวอย่างครับเราปรารถนาที่จะทำตามพระมหาบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือการประกาศเข่าประเสริฐเราอาธิษฐานวางแผนทูลขอการทรงนำแล้วเราต้องก้าวออกไปครับเราปรารถนาที่จะสร้างสาวกเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าจะได้ขยายออกเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ เร า, เาวางแผนอธิษฐานทูลขอการส่งนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราก็จะต้องเริ่มต้นที่จะสร้างสาวกในส่วนของเราที่เราทําได้ในส่วนที่พระเจ้ามอบสิทธิธพิเศษให้เกียรติเราที่จะรับใช้พระองค์ครับพระเจ้าให้เกียรติเราในการรับใช้พระเจ้าในการสร้างสาวกเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าถือว่าเป็นสิ่งที่มีเกียรติมากๆครับเราวางแผน ทุนของการทรงนำเราก็ต้องทำในส่วนของเรานั่นแหละครับคือการวางแผนและผลของการวางแผนแล้วมันสมดุลกับอะไรครับสมดุลกับอนุภาพคำว่าอนุภาพนั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า power หรือคำว่า might นะครับ might m i g h t might ครับอนุภาพนั้นก็หมายถึงว่าวเวลาทำสงครามเราจะต้องมีกำลังทหาร มีแต่แผนการแต่ไม่มีกําลังทหารก็ไม่มีทางที่จะชนะสงครามได้พี่น้องครับถ้าเรามีแต่ความคิดเรามีแต่คําพูดแต่ไม่มีกําลังเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะโดยเพราะยิ่งในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณครับถ้าเรามีแต่ว่างแผนนะครับเราไม่ออกกําลังกายฝึกฝนฝ่ายจิตวิญญาณ มีวิตในฝ่ายจิตวิญญาณเราก็ไม่สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายหรือไม่สามารถที่จะไปถึงเส้นชัยท่านอาจารย์ปอโลท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าฝึกฝนตนเองทางด้านจิตวิญญาณทุบตีตัวเองให้มันอยู่มือทุบตีร่างกายเนื้อหนังของตัวเองให้อยู่มือเพื่อที่ว่าจะไม่มีสิ่งที่่วงในการวิ่งไปถึงเส้นชัย ไม่มีสิ่งที่ทวงในการวิ่งไปถึงเส้นชัยนั่นคือวิสัยทัศน์นั่นคือม i n เซ e ตของท่านอาจารย์เปาโลพี่น้องครับคำว่ากำลังอนุภาพนั้นก็คู่กับการวางแผนเราจะต้องมีทั้งสองอย่างครับมันถึงจะสมดุลเราจะต้องมีความคิดและในเวลาเดียวกันครับเราต้องมีพลังมันจะถึงความสมบูรณ์ได้ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับในคริสจักรของพระเจ้านั้นจะต้องมีทั้งคนอาวุโสและมีทั้งคนหนุ่มสาวเพราะคนอาวุโสนั้นมีประสบการณ์มีความคิดแต่คนหนุ่มสาวนั้นมีพลังมีอนุภาพและทั้งสองนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ประสานกันได้คริสจักรของพระเจ้าก็จะเดินไปด้วยความเข้มแข็งและเดินไปด้วย จังหวะที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจะเป็นจังหวะแห่งความชื่นชมยินดีจะเป็นจังหวะแห่งการงดงามจังหวะที่มีสง่าราศีขอพระเจ้าอวยพรพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน